เรื่องเจ้าสากยะทรงผนวดครั้งนั้นพระเจ้าพัทยะสากยะเจ้าอนุรุท ธ, ธะเจ้าอานน์เจ้าภคุเจ้ากิมพิละและเจ้าเทวทัต กับอุบาลีซึ่งเป็นช่างกลระบบรวมเป็นเจ็ดคนสเสด็จออกพร้อมด้วยเสนาสี่เหล่าเหมือนสเสด็จประพาสราชอุทยานพร้อมเสนาสี่เหล่าในครั้งก่อนทั้งหกพระองค์นั้นสเสด็จไปห่างไกลแล้วรับสั่งให้เสนากลับเข้าพรมแดนของเจ้าเมืองอื่นส่งเปลื้องเครื่องประดับเอาผ้าห่อแล้ว ได้ตรัสกับอุบาลีช่างกระระบกดังนี้ว่าอุบาลีเชิญท่านกลับเถิดทรัพย์เหล่านี้พอเลี้ยงชีพได้ขณะเมื่ออุบาลีช่างกระระบกจะกลับได้มีความคิดดังนี้ว่าพวกเจ้าสักยะทั้งหลายโหดร้ายนักจะพึงให้ฆ่าเราด้วยเข้าพระทัยไปว่าอุบาลีนี้ ให้พระกุมารทั้งหลายหนีไปก็พระสากยากุมารเหล่านี้ยังออกจากเรือนทรงผนวดเป็นบรรพชิตได้ฉะไหนเราจะบวชบ้างไม่ได้อุบาลีช่างกระบกนั้นจึงแก้ห่อเครื่องประดับแล้วแขวนสิ่งของไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้พบเห็นจงนำสิ่งของที่เราให้แล้วไปเถิด แล้วเข้าไปเฝ้าสากยักุมาลเหล่านั้นถึงที่ประทับสากยกักษมานเหล่านั้นได้ทอดพระเนตรเห็นอุบาลีกำลังเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วได้รับสั่งกับอุบาลีช่างกระระบกดังนี้ว่านี่อุบาลีท่านกลับมาทำไหมอุบาลีช่างกระระบกจึงกราบทูลว่าพระลูกเจ้าทั้งหลาย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 ม่อมฉันนั้นแก้ห่อเครื่องประดับแล้วแขวนสิ่งของไว้บนต้นไม้แล้วกล่าวว่าผู้พบเห็นจงนำสิ่งของที่เราให้แล้วไปเถิดกลับจากที่นั้นแล้วสักยะกุมารทั้งหลายตรัสว่าท่านทำดีแล้วที่ไม่ได้กลับไปเจ้าสักยะทั้งหลายผู้โหดร้ายจะพึงให้ค่าท่านด้วยเข้าใจว่า อุบาลีนี้ให้กุมารทั้งหลายหนีไปต่อมาสากยกุมารทั้งหลายพาอุบาลีผู้เป็นช่างกลระบกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งณที่สมควรเจ้าสากยทั้งหลายผู้ประทับนั่งณที่สมควรแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกหม่อมฉันเป็นเจ้าสากยะยังมีความถือตัวอุบาลีผู้นี้เป็นช่างกระบอกรับใช้พวกข้าพระพุทธเจ้ามานานขอพระองค์ทรงโปรดให้เขาบวชก่อนพวกข้าพระพุทธเจ้าจะอภิวาสลุกต้อนรับทําอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่เขา เมื่อเป็นเช่นนี้ความถือตัวว่าเป็นสากยะของพวกหม่อมฉันจักบรรเทาไปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคจึงโปรดให้อุบาลีผู้เป็นช่างกลระบบบวชก่อนแล้วให้สากยะกุมารบวชภายหลังต่อมาในระหว่างพรรษานั้นเองท่านพระพัทิยะได้บรรลุวิชาสามท่านพระอนุรุทธะ ได้บรรลุทิพยะจักสุขท่านพระอานนท์ได้บรรลุโสดาปติผลพระเทวทัตได้ฤทธชั้นปุถุชน